ภิกขุนังสิกขาสาธิวสมาปณาภิกขุนังในชื่อมันจริงๆก็คือภิกษุนั่นแหะนะภิกขุนังสิกขาสาธิวสมาปณาถือเอาศีลเอาสิกขาเอาสิกขาคือการศึกษ า, นะาการศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญา ให้เกิดในใจตัวเองเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุูทั้งหลายที่ตัวสภาวะธรรมจริงๆเนี่ยรวมถึงทุกใครก็ได้ทุกคนที่เป็นบุคคลที่เป็นผู้ถือศีลมีจริยวัตรอย่างพระสงฆ์เป็นครวะยาติโยมเป็นแม่ชี เป็นสมณีก็ตามพมื่อเห็นเวลาเขาโหพิคุนังสีขาสัจจวัตรปนาเนเขาจะเติมคําว่าสมณีราณังสมณีราณังศีขาสัจจวัตสมาปนาสมณนก็เป็นผู้ออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแม่ชีก็เป็นผู้ออกจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วอุทิศตนต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าคือเฉพาะ เพื่อเฉพาะการเข้าถึงสัจธรรมตังโนพรมจริยอิมัสกิวลัสะทุก ข, ขันทัสสะทุกขขักขันทัสสะทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิน้นอันตะกิริยาปัญญาเยธาติให้ปรากฏชัดขึ้นมาในจิตเราได้ถ้าทุกข์มันไม่ปรากฏชัดความเหนื่อยหน่ายก็ไม่เป็น นะด้วยปัญญานะมันมีหนึ่งเวลาเราเป็นทุกข์ชัดๆมันเหมือนทุกข์น่ยเราอึดอัดใจเราอะไรก็ทำแต่มันไม่ได้เกิดด้วยปัญญาเราเข้าไปเป็นทุกข์เราก็เลยทุกข์มากนะแต่อันนี้เขาต้องการให้เห็นทุกข์ชัดๆก็หมายความว่าให้เกิดการแยกระหว่างตัวทุกข์กับตัวเราออกจากกันตัวทุกข์อันหนึ่งตัวเราอันนึงไม่ใช่อันเดียวกันนะ เขาไม่จะแยกออกจากกันได้ความทุกข์ก็เห็นว่าเป็นทุกข์กกายจากร่างกายอันนี้ก็เป็นอันนึงทุกข์จากอุปทานขันต์ก็เป็นอีกอันหนึง่งคือไม่เหมือนกันน่ะเป็นคนละอันกั น, ก น, น, าา น, กนตัวแยกคือตัวปัญญาปัญญาได้มาจากไหนปัญญาได้มาจากขั้นสติสติไม่ได้มาจากขั้นสมาธิสมาธิได้มาจาก สติสติได้มาจากไหนมาจะได้จากการกำหนดรู้การกําหนดรู้ได้มาจากไหนได้มาจากการใส่ใจอย่างเย็บขายอืการสังเกตถ้าเอาใจใส่จะสังเกตได้ได้มาจากไหนมาจะได้กันได้ยินได้ฟังเพราะเราได้ยินได้ฟังจากกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์เราก็จะนึกออกโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะน่าจะเป็นจริงนะทุกทุกมันมีจริงนะ แล้วมันก็ดับได้จริงเวลาเรากําหนดรู้มันก็ดับถ้าไม่กําหนดรู้มันก็ไม่ดับไม่กําหนดรู้มันก็ปรุงแต่งไปถ้ากําหนดได้มันก็สลายมันเป็นจริงนะเนี่ยทุกทั้งหลายเกิดจากความคิดของเราเองสะสมขึ้นมาเรื่อย ๆ, ๆมันก็ติดอยู่ในใจเอ๊ะทาไงอ่ะเนี่ยเขาเรียกเอวังสุสตวาถ้ามังสุตวะอวังชนามะ พวกเราทั้งหลายเมื่อได้ฟังธทำนั้นแล้วทำก็คือทั้งมรรคทั้งผลทำก็คือทั้งกระบวนการที่มันเป็นตัมังสุตวะอวังชนามะจึงได้รู้อย่างนี้ว่ารูปังอนิจังโอ้เห็นแล้วรูปมันไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจังไม่เที่ยง รู ป, ปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนปรากฏการณ์ที่กเกิดขึ้นเนี่ยรูปไม่มีตัวตนแต่มันจะไม่มีได้ก็ต้องเราดูให้มันชัดก่อนถ้าดูไม่ชัดผิวเผินมันมีตัวมีตน ม, มันกลายรูปกลายร่างกลายพันุเพราะโมหะเรามีนะสภาพธรรมที่เป็นโมหะความหลง ความเข้าไปในอารมณ์มันมีมันก็เคยเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทุกข์ก็ปรากฏเกิดขึ้นกับจิตเราดังนั้นวําทำไนการทาที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแค่ไดมันเป็นกองเป็นกองแล้วเวลาปรากฏขึ้นเนี่ยอย่างเช่นกองรักกองชังเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวเขาเรียกว่าเป็นกอง มันเป็นกองเป็นหมวดเป็นหมูงโกรธก็โกรธเป็นเรื่องเป็นราวมาความเกลียดความชังเป็นเรื่องเป็นราวเวลาเราขี้เกียจขี้คานนี่ก็เหมือนกันน่ะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมามันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาบางทีบางทีบางคนเนี่ยไม่รู้นะตัวตนเป็นอยู่ยังไงอ่ะเราขี้เกียจ ขี้ค้านยังไงไม่รู้จักถ้ามีครูบาอาจารย์แล้วก็เหมือนขยันไม่มีใครว่าให้กูแต่ถ้าไม่มีอมืเราก็แล้วแต่แต่ทําอะไรนะพวกคิดว่าไม่มีใครว่าให้กูหรอกอนะประมาณนี้ยจิตมันเข้าข้างตัวเองเนะี่ยตมากําลังจะใช้ระบบวั น, นี้ลองดูเหมือนเราเข้าค่ายเอฟเนี่ยนี่ลองโหวตลองดูอะ แต่โหวดลับนะมีกี่คนเราสิ้นไปเดือนหนึ่งสองเดือนลองโหวดลองดูดิคนที่อยู่วัดด้วยกันเนี่ยลองเขียนดูดิ ว, ว่าคนไหนที่ไม่สมควรอยู่ในวัดเนี่ยอันนี้เราจะเริ่มกลัวเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันแต่ถ้าไม่แล้วเราก็กลัวแต่ครูบาอาจารย์กลัวเจ้ประธานสงอย่างเดียวเมื่อท่านว่าก็ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ว่านะต่อไปหลวงตาอาจจะให้มีสิทธิ์ว่า มีสิว่าไหมว่าเอาลองดูที่งกาดูทีนะ่ในวัดเนี่ยมีกี่ชื่อสมมติว่ามีห้าชื่อห้าคนนี้ลองโหวต ด, ดูที่ว่าคนไหนนะไม่สมควรอยู่หนึ่งเกียดค่าคือด้วยเหตุผลอนไรก็ตามใส่เข้าไปสุดท้ายเรามาอ่านดูอา้าวคนไหนไม่ได้ก็ออกไปคนไหนได้คะแนนโหวตเยอะออกไปนะ คนไหนก็ว่าคนนี้ไม่สมควรอยู่คนหนห้ก็ว่าคนนี้ไม่สมควรอยู่เนื่องด้วยอะไรก็ตามเพราะเวลาเราไม่อยู่เนี่ยเป็นการมาดูตัวเองดูตัวเองให้เห็นตัวเองว่าออทุกข์ที่เกิดจากตัวเราเป็นยังไงทุกข์ที่เกิดจากอือุปาทานเป็นยังไงทุกข์เกิดจากกิเวทนาเป็นยังไง ถ้าไปอยู่กับหมูค่คนณะความเห็นแก่ตัวของเราเป็นยังไงมีคนอื่นบอกได้ไหมสอนได้ไหมความคี้เกียที่ค้านเราเยอะไหมหรืว่าเขาบอกอ่าบอกได้ไหมแนะนําได้ไหมเอาทํามบนั้นนะอันนี้นะทามันไม่ได้เงื่อนไขก็จะเปลี่ยนไปเหมือนพระพุทธเจ้าใช่ว่ า, วาอสุนาตูมีพันเตสั้างขู เขาเรียกว่าตั้งยติพอตั้งยติแล้วก็ลงคะแนนเนี่ยถ้ามันอธิกรระสมมมะมันมีเจ็ดปฏิญญาตการณะเยปุยสิกาสัมมุขวินั ย, นนยพระพุทธเจ้าให้ดึงมาใช้หลายหลายระบบเพื่ออะไรเพื่อสำหรับบุคคลผู้เก้ อ, อยากผู้เก้ อ, อ, ยกเก อ, อยากคือผู้ใดที่กระามบอกอยากสอนอยากแนะนำยากท่านใช้ให้สงหรือผู้ที่อยู่ร่วมกันเนี่ย ลงมุติขับออกจากหมูทวานาสนะนาสนะขับออกจากหมูถ้าเตือนนี่เขาเรียกว่าลงปลมมาทันคือระบบการกั น, นกรองในพระศาสนาเนี่ยมีมากนะท่านสอนให้อาวุธใช้ในการกันคนชั่วคนที่บุคคลผููเก้ อ, อยากคือสอนยากพูดยากเนี่ยมีมากแต่เราไม่ไดเอามาใช้เพราะอะเพราะมันเป็นสังคมในน้อย สังคมเล็น้อยก็คืออมันก็ต้องช่วยกันเอาใจใส่แต่ถ้าหากว่าคนเรวมีอยู่อย่างนี่ยมันจะยากลําบากสมัยก่อนพระโมคคัลลานะซึ่งถือว่าเป็นผู้มีฤทธิ์นะท่านจะดูแลพระพุทธเจ้าขนาด อ, อพระพุทธองค์ก็เป็นผู้บรรลุธรรมนะพระโมคคัลลากรรมบรรลุธรรมคนนี้คนนี้กรรมบรรลุธรรมพระพุทธเจ้าว่าในสังคมเนี่ยบุคคลผู้สอนยากพูดยากสอนยาก อยู่ร่วมอยู่แต่ฐาคตไม่อาจจะแสดงทำให้ฝังได้ใครว่าคนไหนอะไรประมาณเนี่ยพระโมคคะลาลุกขึ้นจับลากคอออกไปเลยเพราะท่านเป็นคนแข็งแรงช่วยกันดึงออกไปให้มันอยู่ในนี้ไปใต่สุ็ต้องออกไปคือในสังคมพระอราหารันต์ไม่ได้หวเขาว่าจะปล่อยวาง ชั่วก็ช่างดีก็ช่างไม่เขาก็มีสังคมของเขาเองสังคมที่ไม่เอารัดเอาเปรียบสังคมที่มีความอุตสาหวิทยะสังคมที่มีความเพียพยายามมันกลายเป็นอุดมสังคมอย่างอุดมคติขึ้นมาเวลาเราสร้างเพราะอะไรเพราะมันเริ่มจากคําสอนเราอยิ่งสอนยิ่งอัตราตัวตนน้อยลงแต่ทวันว่าขึ้นมันผิดทางละ มันผิดทางนะผิดตรงไหนผิดตรงเออยิ่งปฏิบัติทำยิ่งตัวตนน้อยลงยิ่งขยันยิ่งออพูดน้อยยินน้อยนอนน้อยถ้าอยู่กับมูคณนะอา้าวรู้สึกเป็นที่รักของคนนั้นเลอเกินคนเนี้ยใครเห็นเขาก็เป็นอบอกง่ายสอนง่ายเอาใจใส่ขยันขันแข็งหน้าที่การงานดู ง, งดงาม ยิ่งเป็นคนไม่มีตัวตนไม่ทุกข์กับสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นหมู่พวกอะไรใครจะว่าอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณไม่มีแล้วในขณะเดียวกันหาเสน่ห์ใส่ตัวเป็นคนตื่นดึกลุกเชา้าขยันขันแข็ ง, ขงเอาใจใส่นะเราไม่ได้มาเป็นเจ้าอาวาสเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่ในฐานะไหนเราก็พิงรู้จักฐานะของเราเองแล้วก็ขนไขวย เพราะอะไรเพราะเราอยู่ในนี้เราต้องแสดงตัวเองให้เป็นที่รักของคนทั้งหลายด้วยอืมคนนั้นรักเราไหมคนนี้รักเราไหมเอ่ความรักนั่นแหละรักด้วยเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขานะความรักอั น, นั้นแหละคือการแสดงออกถึงความหนึ่งความเป็นผู้มมีตนตัวไม่มีตัวตนเนะเขาก็รักไม่มีอัตตานะเขาก็รัก เขาเห็นอกเห็นใจโอ้คนนี้น่ารักเนาะความน่ารักมากเข้ามากเข้ามันจะเป็นหน้าเคารพหน้าบูชาในจิตใจของความมีอนัตตาสภาวะอันเนี้ยหน้ากลาชิดเนาะน่าให้ท่านเป็นกัลยาณมิตรนะอะไรประมาณ น, นี่คือคุณธรรมที่พึงมีในตัวเราเวลาเราอยู่ด้วยกันน้อยก็ตามมากก็ตาม ยิ่งน้อยยิ่งเหมือนทหารเวลาเขาออกรบเนี่ยยิ่งน้อยเขายิ่งรักกันนะเพราะข้าศึกไม่ใช่นี่แต่ว่าเป็นตรงกันข้ามที่บุกเข้ามาเนี่ยน้อยก็มีเพื่อนคอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเหมือนกันเวลาครูบาอาจารย์ไม่อยู่อา้าวเราดูแลซึ่งกันและกันเป็นเหมือนสนิทสนมกรมเกียวเหมือนเราออกรบเนี่ยเหมือนทหารเขาออกรบกบพวกคอมมิวนิสต์ จะรักกันกลุ่มเหี่ยวกันว่ามีความสา ม, มัคคีกันแต่เอาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทิฏฐิมานะต่างคนต่างไม่สนใจอะไรประมาณเนะนี้ยนะเขามีจะตายเวลาฆ่าสึกเข้ามาเนี่ยมันฆ่าตายหมดอะทีละคนทีละคนตายยังไงอา้าวคนนี้ก็ตายเพราะถูกทิฏฐิมานะฆ่าตายคนนี้ก็ตายเพราะถูกความขี้เกียจฆ่ า, าคนนี้ก็ตายเพราะ ความขี้เกียจขี้คร้านความหงุดหงิดติดอารมณ์ความเบื่อความไหนความชอบนอนกลางวันตามจะดิตนนิสัยตัวเองอะไประมาณนั้นมันตายหมดนะแต่แลราสามัคีมองไปไสยกับคาความเพี่ยนโนราของความความเพียนนะไม่ใช่ไม่รู้นะเวลาครูบาอาจารย์ไม่อยู่ก็จะเป็นห่วงว่าคนนี้จะเป็นยังไงเนาะคนนี้จะเป็นยังไงเพราะอยู่ด้วยปกติอยู่ด้วย มันก็ไม่ได้ขขแข็งแกร่งอะไรมากมายมันก็ชอบหลับชอบง่วนงะมันชอบเป็นคนที่ตักเตือนยากคนนี้จะเป็นยังไงเนานะคนนี้ติดหมาติดแมวติดอะไรประมาณนี้ซึ่งยากนะไม่ใช่ของง่ายเวลาไม่อยู่อาตามใจตัวเองขึ้นมานี้เดีอยปัญหามันก็เกิดขึ้นนะปัญหาเกิดขึ้นอะไรไม่มีความเจริญเ้าหน้า เป็นที่รังเกียจของหมู่คณนนะอ่ดังนั้นเราก็ทำตัวเองอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพี่กู้นังสิกขาสาชิวะสมาบัญนานะเอาสิกขาและทาเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตสิกขานะคือการศึกษาอยู่กับหมู่คณนะศึกษาหมู่คณนนะจริงๆถ้าเราศึกษาพราทำคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยมันสบาย อยู่ในธรรมอยู่ในวินยนอ้ามีอะไรมัางละ่ะคิจวัตประจําันโกดกวาดโบดวิหารลานพระเจดีเอามาใส่ธุระหน้าที่การงานนะนี่เราเห็นใบไม้ไไเยอะเาเอากวาดล้งางค้าตรงนั่นตรงนี้ทําสาสรไหว้เตรียมตัวไหว้ใบไม้ใบเลยคิดเองเป็นอะไรประมาณเนี้ยเราคิดเองเป็นแทนที่เราเจะจอยปล่อยชม ลงไปสู่ความขี้เกียจปล่อยจมไปสู่ความหงงความเงาปล่อยจมไปสู่ความเป็นอัตตาตัวตนเราก็เอางานมาก็ได้สองงานกําหนดรูปไปด้วยทํางานไปด้วยได้ไประโยชน์อย่างเงี้ยแทนที่จะไปจ้องจับคนโน้นคนนี้เอาใหม่อ่ะนะพยายามแบ ไ, ได้คิดว่ากูดีกว่าเขาอืกูเด่นกว่าเขากาเขาูเรื่องของกูอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะดังนั้นในส่วนหนึ่งเนี่ย จึงเป็นที่มาของไพ่ใบสุดท้ายของคําสอนในพุทธศาสนาในการอยู่กับหมู่คณะนั้นเขาให้มีกระถินพอมีกระถินเนี่ยพระพุทธเจ้าเตือนให้เป็นการรวมทัวกันทําสังฆกรรมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งทําธุระหน้าที่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งบังคับเลยทีเนี้ยเพราะในพรรษาอ่าน จ, จะต่างคนต่างอยู่ต่างคนไม่สนใจกันหม <c oughs> อ, อกพภาษามีกระถินนี่เขาบังคับ พระตห้าองค์ในวัดหนึ่งวัดต้องมีพิสูห้ารูปจึงสามารถถวายเป็นกระถินได้ถ้าหนึ่งรูปสองรูปก็กลายเป็นพระป่านะแต่ถ้าห้ารูปขึ้นไปเนี่ยเป็นกระถินเขาเรียก บ, บุญกระถินเพราะต้องใช้คนสี่คนเป็นผู้เย็บช่วยกันแต่ก่อนมันเย็บยากมาก เพือจะไต่เต้าดึงดึงดึงดึงดึงออกมาคนนั้นก็ไปถนนโพนีิปันนี้ก็ถิ่นว่าเราแปลว่าขึงขึงขึงขึงผ้าอืม็ถิ่นแต่ก่อนเรกวามันเสดึงแปลว่าไม้สะดึงไม้เสดึงไม้ขึงนะเอาเสดึงมาหน่อยที่จะเย็บผ้าจะทําตัวหนังสือทําตัวอักษรมันเพียนมานานเข้ามันก็เป็นก็ถิ่นเขาค่อยเพียนไปเป็นเสดึงน่ะ แต่ก่อนคือกระถินเนี่ยเพราะต้องจับหมวจับท้ายมุมนั้นมุมนี้สี่คนทำอีกคนหนึ่งก็ขึงก็เย็บตรงกลางตรงนั้นตรงนี้อันเขาจะใช้คนห้าคนทันขี้เกียจขนาดนี้ก็ตามไม่อยากทำร่วมหมู่คณะขนไหนก็ตามมันต้องมาได้ทำเพราะว่ามันเป็นกิจที่ต้องใช้คนห้าคนทำปัจจุบันนี้นคนห้าคนไม่มีอะไรมีแต่โวตเฉยๆตั้งยติ ตั้งยติผ้ากระินัทาเนี่ยอัปโลกอัโลกอัโลกอุปโลกขึ้นมาว่าผ้านี้เอามาตั้งตรงกลางอดุดเลื่อนลอยโดยมาโดยนา้ากาศจะได้เจาะจงเป็นของใครก็ไม่สงทงั้งปวงเอาแล้วทําผ้ากระินเสร็จแล้วมาตั้งยติทิสุนาตูมีพันเตสังกูสงทั้งหลายจงฟังขา้าพเจ้า เวลาต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอตั้งยติว่าอันนี้คือผ้าได้มาแล้วต้องมอบให้กับเพศสูรูปหนึ่งที่มีที่วนข่ำคร่าเก่าแก่หรือเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถกระทํากระถินให้รู้ล่วงไปดูดีแต่ก่อนนะสี่องค์เนะ่เป็นคนจับเฉยๆนะีคนทำกระถิน่น คือผู้ที่สามารถมันมีมาธิกาแปดมีซักผ้าเนี่ยเอาไปซักซักเป็นไหมถ้าเป็นก็จะได้นะคนอื่นพระในพรรษาเนี่ยหน้าที่ของพระคือไปหาผ้ามาเิตมาต่อกันตรงนั้นต่อามาอูนนิกลัมาพอได้มาแล้วเนี่ยให้คนนี้เอาไปซักคนที่จะรับกระถินนะ่นเนี่ยซักกะเอามากะตัด ตัดเป็นไหมเย็บเย็บเป็นไหมย้อมเนาพินทุอธิษฐานเป็นแปดมาติกาคือกิจที่จะต้องทําสำหรับคนที่รับกฐินเนี่ยทําเรื่องนี้เป็นไหมนั้นสี่คนนั่นก็จับหัวจับท้ายคนนี้ก็เริ่มหละกิจที่เราเห็นได้ท่านคือเย็บคนอยู่ตรงกลางเป็นคนเย็บถ้าเย็บเป็นไม่เป็นก็ไม่ได้ท่านต้องเย็บผ้าเย็บผ้าเนาผ้ารุ่น ใช้เข็มนะแต่ก่อนอาจจะทาเข็มเล็กๆก็ได้และในส่วนหนึ่งเนี่ยผ้าถ้าเนื้อละเอียดมากเกินไปอย่างปัจจุบันเนี่ยมันก็เย็บไม่ได้เพราะเข็มจะต้องแทงเข้าไปถ้ามันละเอียดมากไม่เข้าไปไมันต้องเข็มเล็กๆถึงได้ท่า น, นก็เย็บติดประติดประต่อกันเข้าไปนั้นสี่รูปเป็นคนจับเพิ่มหมายาว่าจะอนุโมทนาด้วยเห็นด้วย ต้อบอกเราเย็บไปเท่า น, นั้นนะเท น, นี้นะเท น, นี้ยังเหลืออยู่คนนี้ก็เย็บเย็บเย็บเย็บเ็บนั่นแหละเขาเรียกว่ากานาภาษาพจนนะเรียกว่ากานกระถิน่กนกานคือการเย็บนั่นแหละเย็บเข้าไปเย็บเข้าไปเย็บเข้าไปเย็บให้เสร็จภายในหนึ่งวันผ้าทั้งหมดเนี่ยเอามากองรวมกันไว้นะสักกะตัดเย็บย้อมสักกะตัดได้พอได้อยู่แต่เขาให้ทําภายในวันเดียว แสดงว่าช่วงซักเนี่ยสักด้วยกันกะซักด้วยกันเรามารวมกันเอามากะมาตัดมาเย็บมาย้อมเนี่ยให้ทําวันเดียวนั้นทําให้จนถึงนู่นแหละสว่างรุ่งอรุณของวันใหม่ถ้าทําไม่เสร็จเขาเรียกว่ากรถินดอกนะภาษาบลานะกระถินดอกคือหมดอายุมันหมดอายุแล้วทําไม่ทันไปในหนึ่งวั น, นหนึ่งวันหนึ่งคืนนี่ทำไม่ทันดันั้นต้องอาศัยความสามัคคีเป็นอย่างมากต้องช่วยกันหรือ นั้นเวลาอยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ร่วมกันของเราก็มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนอกผ้าเดี๋ยวนี้มันคนข้างนอกทําให้แล้วคําว่ากรานกถินกรานกรถินก็มาพินทุมาอธิษฐานแค่นั้นเองนะคําว่ากรานกถินเนี่ยคนหนึ่งตั้งยติให้สองรูปตั้งยติให้ว่าเหมาะสมกับไปนี่แน่สงเกตเห็นว่ายังไงเนี่ยคนนี้ก็เอามาพินทุมาอธิษฐานมา วิกลับมาอะไรตา่างๆว่าทำาถ้าทำเสร็จปุ๊บเออได้อันนี้สงให้ไปไหนก็พอไปอ่ะอันนี้สงให้ายางไปโดยไม่บอกลาก็พอได้คืออยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีความรักเคารพกันเขาเริ่มรู้จักนิสัยแล้วคนนี้ไปโน่นไปนี่ก็พอดูออกแต่ก็สมควรเหมือนเดิม น, นนะไม่ลา ก, ก็ได้ในโลความรู้สึกแต่ใช้ได้ประมาณสักษี่เดือนนี่แหละ ได้รับกรถินนะ่จะมีอันนี้สงวันสี่เดือนสำหรับภิกษุโอ้รับกรถินแล้วกลางกรถินพระสง์ที่อยู่ด้วยกันเวลาอนุโมทนาเขาชื่อว่าเป็นผู้กลานด้วยผู้กลางก็คือคือยุ่งยากด้วยกันนะ่ะคําว่าการการคือการงานนะั่นแหละทําการทํางานทําการกระถิ่นทําการรบอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าทําการกระถินรร น, นะ น, น, น, รร ถ, นถ้าทําด้วยกันก็ถือว่าเป็นผู้อนุโมทนาด้วยกัน จะได้อานิสง์ด้วยกันต่อไปก็คืออาจจะฉันในนั้นก็มันเหมือนกันเลยนะอานิสงส์พรรษากับอานิสงส์กฐินเนี่ยฉันนอกบาทก็ได้ฉันประลำประละประลำประปลประพกติ่เขารับบวชมาใหม่ยังไม่ได้รับอานิสงส์กฐินเนี่ยเขาให้แค่ฉันด้วยกันนะเขไม่ใช่ให้ฉันในบาทของใครของมันนะแต่พอมีอานิสงส์กฐินคล้ายๆว่า เราอยู่ด้วยกันมันถูกกันนะนะมันสมานสามัคคีกันรู้ซึ้งน้ําใจซึ่งกันด้วยกันเนี่ยท่านบอกว่าฉันประลำปะละได้ฉันประลำปะละไม่ใช่ฉันพรำเพื่อนนะฉันประลำปะละก็คือเวลาอื่นก็ได้ที่ยังไม่ถึงเพนเนี่ยปกติจะผั์ฉันเฉพาะตอนอาสนะเดียวอาสนะเดียวเป็นวัดก็คือฉันมือเดียว ต่อมาเออช่วงมันทํางานทําการเห็นไหมอย่างการกรถิ่นเนี่ยมันทําแล้วมันยุ่งยากมันต้องเตรียมนี่เตรียมนี้มันจะเหนื่อยก็จะมีว่ามีมื้อสองแต่มันไม่เกินเพียนได้ชันปรํลประละได้นะสองมื้อก็พอได้นะเวลาเราทําการทํางานไม่ว่าแต่ทากรถิ่นนะทำอย่างอื่นก็เหมือนกันแหะการจะมีบ้างนะี่หน่อยแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่จําเป็นไม่จําเป็นมันเสียเอาไปมาเสียนิสัย ถ้าคนบวชใหม่ทํางานบ้างเล็กน้อยเอาให้กินอีกแล้วให้กินอีกแล้วอากินเนี่ยมันไม่ได้นะผิดวินัยไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ได้อันนี้ส่งว่าจะฉันปลัมปละคณะพุทธอะไรไม่ได้แล้วก็ฉันด้วยกันเป็นคณะโูชนะนสำรับหนึ่งเอามานั่งด้วยกันฉันดิรวมกันฉันด้วยกันก็ไม่ได้อืมฉันปลัมประก็ไม่ได้ฉันคณะก็ไม่ได้เป็นคณะก็ไม่ได้ เื่อเอาใจจีวรไปไม่ครบไม่ได้ต้องครบนะต้องพ้าไตาสบงจีวรสังฆาติต้องมีครบตลอดไปไหนมาไหนถ้าออกนอกวัดไปต้องถือไปครบถ้าได้อานิสงส์พรรษาก็ดีไปแบบนึงคือไม่ครบก็ได้แต่มันก็มีหนึ่งว่าเขามีโลกวัตชะปัญนตนิวัชะ โรกวัตชะคือโรคติเตียนคือชาวโลกคือหมู่คณะเขาติเตียนทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยเป็นโลกวัตชะบางทีโรคติเตียนแต่ทําไม่ติไม่เตียนนะคือถูกทําอยู่แต่ไม่ถูกโลกอย่างกินข้าวเย็ น, นเนี่ยผิดวินัยไหมผิดวินัยผิดวินัยน้อยๆ น, นะแต่ทั้งโลกเนี่ยเขาติเตียนถือว่าเป็นกิจมากเลยดื่มสุราเนี่ยเป็นผิด วินัยไม่ผิดวินัยบ้าด้วยการเสพสุราก็ผิดไาจิตตีเล็กๆน้อยๆนะแต่ทางโลกเห็นเนี่ยเขาถือว่ามันมันเป็นเรื่องอะไรก็ทําที่ชาวชาวโลกเขารังเกียจเยอะๆเนี่ยเวลาเราไปทําเขาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตเลยเขาเรียกว่าโลกาวัชชะวินัยไม่ค่อยผิ ด, ผดปันนติวัชชะไม่ผิดแต่โลกติเตียนมากนั้นบางทีบางอย่าง โลกไม่ตีเตียนนะ่ะโลกไม่ได้ว่าอะไรแต่ธรรมะเนี่ยว่าเป็นเรื่องคำอันหนักเลยอะ่ะอย่าเราหยิบเอาของเขาประมาณสักราคาห้ามาโศกอย่างเงี้ยหรือบางทีเราอวดรู้อวดฉลาดอวดเก่งอวดมากอวดผมอวดชาญก็ได้อันนั้นอันนี้อะไรประมาณเนี่ยทั้งโลกเขาเขอยากฟังอย่างนั้เรื่องแบบเนี้ยเขาไม่ได้ตีเตียนอะไรเลยคนนั้นเป็นผู้วิเศษคนนี้นเป็นคนอะไรนี้ แต่ทั้งรมนี่ถือว่าขาดจากความเป็นพระทันใีเห็นไหมเพรา ะ, ะไรเขาไม่ต้องการให้มีคนมีนิสัยดื้อด้านปรากฏขึ้นในธรรมวิไนน์นี้คนโกหกมากมากเนี่ยโกหกเรื่องอื่นยังพอได้นะมาโกหกว่าตัวเองมีมรรคมีผลขึ้นมาเนี่ยนตัวเองบรรลุอันนั่นตัวเองเข้าใจเนี่ยถือว่าขาดจากความเป็นพระไปเลยเขาเรียกอุตริมนุสธรรมรรมันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนเนี่ย นั่นเขาต้องการคนที่มีความไม่อวดดื้อถือดีไม่มีความหยิ่งแยะโสโอหังไม่มีความเขาเรียว่ามีความเคารพยำเกรงเพื่อนหมู่คณะด้วยกันอะไรพวกนั้นอันนี้เป็นศีลเป็นธรรมในธรรมวินัยเนี่ยนั่นศึกษาดู น, นันี่แต่ละอย่างที่เหลงเวลาเราฟังแล้วมันเกิดความเข้าใจ เวลาเราสวดไปบทนั้นว่นนี้คนไหนก็ทำนะแถ้าสวดมนต์แล้วมีความกินใจธรรมะมันกินใจเราพระสงสวมมีความทราบซึ้งอยู่ในใจคนนั้นอยู่ในพระธรรมวินัยนี้ได้นานนะได้นานเพราะเหมือนกับว่าพิ่กูนังสิขาสัชวะสมปันาธรรมวินัยเป็นเครื่องเลี้ยงใจเป็นตัวหล่อเลี้ยงจิตเราอยู่อย่างสม่ําเสมอ <c oughs> ไม่เหมือนทางโลกนะเหมือนกันเน่ยเราไปอยู่ ไปเล่นกีฬาก็ดีไปทําการทํางานแล้วจะสนุกกับงานไหนเนี่ยแล้วอยู่ในนั้นได้นานในธรรมวินียนีย่เหมือนกันเราก็อยู่กับธรรมวินียได้นานอยู่กับใจตัวเองเนี่ยได้นานมีความเพลิดเพลิอนอยู่ในนี้นานจึงอย่างน้นนอยๆนะคือสิ่งในความเพลิดเพลินความเขาเรียกว่าธรรมอันติอยู่ในธรรมนี้มันมีความเพลิดเนี่ยมันกลายเป็นมรรคเป็นผลเป็นสมาธิ อย่างน้อยก็เป็นความเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นความเพียรเป็นความพยายามเป็นความสนุกความสนุกในความเพลินในธรรมปัญญามันก็เกิดนะปัญญาเห็นอยู่เรื่อยๆเข้าใจเรื่อยๆมันมีความดื่มด่าในตัวเราก็รู้สึกว่มีความสุขอืมีความสุขสุขในธรรมสุขนาะสุขเนาะมีความสุขนะ ถ้าอยู่ด้วยกันหลายๆคนอยู่กับหมู่กับคันนะคนโน้นคนนี้บางเออทำมาเพื่อเจริญเติบโตนะเอาคนนั้นกวาดแล้วก็กวาดคนนี้ทําสะอาดมาปัดมากวาดมาเช็ดมาถูอา้าวเราก็ทําะคนนี้ล้างถ้วยล้างจานเราก็ทําเอาหรือไม่เราต่างคนต่างแยกกันทําคนนั้นก็นมีหน้าที่คนนี้ก็มีหน้าที่อืต่างคนต่างเป็นคนอ่อนน้อมอ่อนน้อมต่อใครต่อผู้อาวุโส อาวสด้วยศีลอาุโสด้วยสมาธิอาวุโสด้วยปัญญาอาวุโสด้วยสมมุติอย่างเงี้ยพระพุทธองค์ท่านไม่ใช่ว่าคนบรรลุธรรมคนที่ไม่บรรลุธรรมไม่ต้องเคารพไม่ใช่ท่านสร้างกฎเกณฑ์เป็นหลักเอาไ ว, ว้ว่าคนไหนเพื่อนผู้ผอาวุโสบวชก่อนอย่างผู้หญิงเนี่ยเขาระบุไว้เลยว่า เอาไว้ถ้าบวชเป็นภิกษณุณีอยากเป็นภิกษณุณีไม่อยากเป็นอยากบวชไม่อยากบวชนะแม่ของท่านนะอยากบวชบวชได้แต่ผู้หญิงนี้มันเป็นทิฏฐิมานะมากสอนมากบางทีเวลาพระสอนยากสอนยากบอกยากสอนยากเขาไม่สอนนะบางทีเขาไล่หนีเลยพอไล่หนีไปปุ๊บออกไปไปโดนคนข่มขืนอยู่ข้างหน้าน้นคือผู้หญิงไม่รู้เขาจะไปทางไหนเนี่ยถ้าเกิดปัญหากับชีวิตเขา นั้นพระพุทธองค์ท่านก็วางแปนวางหลักเอาไว้ว่าภิกษุนีต้องอยู่ในอาวาสที่มีภิกษุอยู่ในอาวาสที่มีภิกษุระหว่างะอยู่ในเขตใกล้ๆกันก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าอยู่ในอาวาสที่มีภิกษุสองแม้เป็นผู้บวชในวันนั้นบวชได้นานนะเป็นผู้บวชได้ร้อยพันสาแต่ก็ต้องกราบภิกษุที่แม้บวชในวันนั้นต้องการอะไรอนเนี่ย ต้องการลักษณะความสงบสงัดเรื่องเกี่ยวกับการปกครองเกี่ยวกับการเข้าถึงทําการอะไรต่างๆที่ท่านวางหลักเอาไวนะ้ทั้งหมดมันมีอยู่ทั้งหมดแปดข้อเขาเรียก ว, ว่าครุธรรมคารุธรรมเรื่องที่หนักที่ยากจะทําใจรับได้แต่สมัยที่พระพุทธเจ้าวางกฎอันนี้เอาไวา้นางประชาบดีกับนางสากียานีประมาณห้าร้อยรูปลูกน้องนะ ที่นิยมบวชนั่งสนมด้วยกันเนี่ยรับเอาหมดเลยรับเอาบวชอยู่ด้วยรับเอาหม ด, ม ด, หมดแล้วก็ฝึกหั ด, ดแล้วก็เป็นผู้เข้าถึงมรรคในสมัยนั้นดงังง่ายได้หลังจากนั้นนะอันนี้ก็เหมือนกันนะไม่ว่าเป็นพระเป็นเนนเป็นเลขาธรรมนะขอให้เรามีความสุขกับการอาศัยศีลธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตให้ได้ตลอดไปนะอนุโมทนา